วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบแปดพฤษจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาหาความรู้จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งการฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นการกระทาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่จิตใจพอะจะได้รับคุณประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจ ดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขให่คือคุณประโยชน์ ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมแต่การที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นี้ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบธรรม ก, ก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ใจได้นั่นเองดังนั้น การฟังธรรมต้องให้กายสงบคือร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆเพราะถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆใจก็จะต้องไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายก็จะไม่ได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องแบ่งใจไปที่ร่างกายที่กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็แบ่งมาที่เสียงธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังผลก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ฉนั้นเวลานั่งฟังธรรมเวลาฟังธรรมควรจะนั่งอยู่เฉยๆหรือถ้านั่งไม่ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ได้ หรือถ้านั่งไม่ได้นอนไม่ได้จะยืนฟังก็ได้แต่ไม่ควรจะทำอะไรที่จะมาดึงความสนใจไปจากการฟังธรรมนี่คือเรียกว่ากายที่สงบวาจาที่สงบก็คือต้องไม่พูดคุยกันเพราะถ้าเรามีการพูดคุยกัน ใจของเราก็ต้องแบ่งมาที่การพูดคุยและมาแบ่งมาที่การฟังเสียงของคนที่เขาพูดคุยกับเราเราก็จะไม่ได้ใจก็จะไม่ได้อยู่กับเสียงธรรมที่กำลังปรากฏขึ้นอยู่ในขณะนั้นใจก็จะแบ่งไปแบ่งมาระหว่างการคุยกันกับการฟังธรรม ก็จะไม่ได้ฟังทำอย่างต่อเนื่องก็จะไม่สามารถรับคุณทำประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และความสงบทางใจก็คือการไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ไปอยู่กับการพูดการคุยกัน ให้อยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสทางหูแล้วก็เข้ามาสู่ใจให้รับดูอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะทำให้ธรรมที่กำลังสแสดงนี้ได้เข้าไปสู่ในใจไปทาหน้าที่ไปทำคุณประโยชน์ให้แก่จิตใจเวลาฟังธรรมจึงไม่ควร แม้แต่การบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์อะไรก็ไม่ควรจะกระทำในตอนนั้นมไม่ควรจะดูลมหายใจเข้าออก<ม>ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทน<ม>เสียงธรรมนี้จะทาจะกล่อมให้ใจสงบและจะแสดงปัญญาให้เกิดมีความรู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง อันนี้คือลักษณะของการฟังธรรมที่ถูกต้องต้องฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วก็ฟังเสียงธรรมถ้าสามารถพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมในบทต่างๆ ถ้าไม่เข้าใจแต่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นอยู่กับเสียงธรรมใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์กล่อมใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้บางท่านเวลานั่งสมาธิในาำลัดท่านที่ฝึกสมาธิใหม่ๆนี้บางครั้งจะรู้สึกยากในการที่จะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธ หรือในการที่จะเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเนื่องจากว่าสติยังมีกำลังน้อยนั่งได้แป๊บเดียวแล้วก็เผลอไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาทำให้เกิดอาการอึดอัดทำให้เกิดอาการไม่อยากจะนั่งต่อไปได้ก็เลยใช้การฟังธรรมแทนเพราะการฟังธรรมนี้ ง่ายกว่าการบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเพียงแต่ฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็จะทำให้ใจนี้เย็นลงสงบลงหรือถ้ามีปัญญามีความรู้ความสามารถที่จะพิจารณาตามก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาด นนี่คือหลักการของการฟังธรรมให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้รับข้อที่หนึ่งก็คือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่เคยได้ฟังธรรมเลยเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของบุญเรื่องของบาสเรื่องของจิตใจ ที่ที่ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจที่เป็นนายของร่างกายจิตใจที่เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆทําความดีเรียกว่าบุญทําความเชื่อเรียกว่าบาปแล้วเมื่อทําไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นที่ใจทําบุญก็จะได้ความสุข ความสุขใจที่จะกลายเป็นสวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทำบาปก็จะได้ความทุกข์ใจแล้วก็จะกลายเป็นนรกกลายเป็นอบายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการผสมปรุงแต่ใจเป็นธรรมชาติของมันตามตามลำพังเป็นธรรมชาติที่รู้ที่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆได้ ไม่ได้ประกอบขึ้นจากสิ่งอื่นๆเป็นเหมือนถ้าเป็นทองคำก็เป็นทองคำล้วนๆไม่ได้มีการผสมกับโลหะชนิดอื่นๆก็เลยไม่มีวันที่จะแยกแตกสลายไปไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ธาตุ สี่ก็คือธาตุดินธาต้น้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินน้ําลมไฟนี้เขาก็เป็นธาตุที่เป็นธาตุล้วนๆเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่มีการผสมทำให้เขาเกิดขึ้นมาเขาก็เลยไม่มีวันไม่มีวันหายไปธาตุดินก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟและธาตุรู้คือใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าลองเป็นธาตุเหล่านี้แล้วจะไม่มีวันสูญจะลายแต่เขามีความสามารถที่จะมารวมตัวกันเพื่อมาทำให้มีสิ่งสังขารสิ่งสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือเครื่องปรุงแต่งคือ ม, มารวมตัวกันให้เป็นร่างกายของมนุษย์ให้เป็นร่างกายของสัตว์เบลชานให้กายเป็นต้นไม้ใบหญ้า ให้กลายเป็นผักเป็นผลไม้อะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสัางขารคือเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่หรือบางทีถ้าเป็นร่างกายนอกจากมีธาตุทั้งสี่แล้วยังมีธาตุห้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือธาตุรู้ที่เป็นผู้มาสั่งการให้ร่างกายนี้ เกื้อนไว้ทําอะไรต่างๆถ้ารู้นี้เป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งถ้ารู้นี้เราเรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิด<ม>เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้ารู้<ม>รู้ใจนี้ก็คือใจเป็นนาย<ม>ส่วนร่างกายนี้เป็นบ่าวมาร่วมทํากิจกรรม กันในโลกนี้แล้วก็หลังจากที่ร่างกายนี้รวมรวมตัวอยู่ด้วยธาตุสี่ไปได้สักระยะหนึ่งธาตุสี่ก็จะแยกตัวออกจากร่างกายไปพ<ม>อเกิดการแยกส่วนกันร่างกายก็ยุติลงร่างกายก็จะสูญสลายหายไปเหมือนฟองน้ําที่แตก รองน้ำเวลามีอากาศเข้ามาก็เพิ่มทําให้เกิดฟองจากน้ำขึ้นมาพอฟองแตกว่าฟองน้ำก็จะหายไปแยกกันไปท่าลมก็ไปทางหนึ่งท่า น, น้ําก็ไปทางนึงร่างกายก็เหมือนกันวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายนี้ก็ต้องยุติลงคือท่านลมก็จะ ออกจากร่างกายไปธาตุน้ําก็จะตามหลกไปธาตุไฟก็จะตามหลกไปเหลือแต่ธาตุดินกลายเป็นส่วนกลายเป็นเศษกระดูกกลายเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่แห้งกรอบและใ น, นที่สุดก็ผุพังกลายเป็นดินไป น, นี่คือธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังกัน เป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นเพราะเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีอยไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของใจเรื่องของ ดินน้าลมไฟเรื่องของธาตุรู้เรื่องของการรวมตัวของธาตุรู้เพื่อทําให้มีร่างกายปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีธาตุธาตุรู้คือใจมาประกบกับร่างกายเพื่อสั่งการให้ร่างกายไปทําอะไรต่างๆตามความอยากของของใจความอยากของใจนี่แหละเป็นตัวที่พาให้ใจต้องไป มีการประกบตัวกับร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายที่มีอยู่ในขณะนี้สิ้นสุดลงธาตุสี่แยกตัวออกจากกันถ้ารู้คือใจที่มีความอยากใช้ร่างกายพาไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะไปหารอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ ใช้ร่างกายอันใหม่นี้พาไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆต่อไปก็จะมีการเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่เกิดแล้วธรรมชาติของร่างกายที่ทำจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนี้มันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไปได้ได้ตลอดมาประชุมตัวกันมารวมกันแล้วพอถึงเวลามันก็แยกออกจากกัน เหมือนสถานที่นี้ที่ตอนนี้มีญาติโยมมาจากที่ต่างๆมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีเด็กมีผู้ใหญ่มีผู้หญิงมีผู้ชายพอมีเหตุมีเวลาที่กำหนดไว้ก็จะมีการมารวมตาวตัวกันพอหมดเวลาก็จะมีการแยกตัวออกจากกันญาติโยมที่มาจากทิศต่างๆ ก็จะเดินทางกลับไปสู่ที่ต่างๆของตนหลังจากนั้นที่นี่ก็จะเป็นที่ว่างเปล่าจากบุคคลนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นธรรมชาติที่มีการรวมตัวขึ้นเพื่อทำให้ปรากฏขึ้นมาให้เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้า เป็นดอกดอกไม้เป็นผลไม้เป็นอะไรต่างๆเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มีสำหรับถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์กัดของสัตว์เดรัจฉานก็จะมีธาตุรู้คือใจมาประกบมาเป็นผู้สั่งการใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรตามความต้องการของธาตุรู้คือใจ ใจก็เลยต้องเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆเวลาได้ร่างกายมาก็ดีใจแต่เวลาช่วงที่จะต้องสูญเสียร่างกายไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียมันไปเพราะเมื่อไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะไปทหาความสุข จากสิ่งต่างๆได้อันนี้คือเรื่องของธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เราฟังธรรมกันแล้วเราก็จะเข้าใจดีขึ้นไปถ้าเราฟังบ่อยๆครั้งแรกถ้าฟังครั้งแรกแล้วยังอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาฟังอาจจะไม่ได้มีความที่จะมาตึกตรองค่ายควร ให้เห็นตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาได้ก็เลยอาจจะต้องอาศัยฟังกันหลายๆรอบ mm hmm. นี่ก็คือผลที่จะได้จากการฟังทมผลที่สองก็คือถ้าทมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ยินได้ฟังบ่อยขึ้นซ้ำขึ้นหลายๆหน mm hmm. มันก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจ ได้ดีขึ้นไปตามลาดับบ<ม>ังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจ<ม>เพราะสติปัญญาของเรายังอาจจะไม่ทันกับข้อมูลที่เราได้รับมายังไม่สามารถนำออกมาให้มันตกผอเลดได้<ม>ให้ให้สรุปให้เห็นตามสิ่งที่ผู้แสดงได้แสดงให้ฟังได้แต่ถ้าได้มีโอกาสได้ฟังซ้ำบ่อ ย, อ ย, อยหลายๆครั้งเข้า ต่อไปก็จะเข้าใจแล้วก็จะทำให้หายสงสัยถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะสงสัยว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงหรือเพราะสิ่งที่เราเห็นคือร่างกายนี้พอมันตายแล้วมันก็หายไปกลายเป็นกลายเป็นซากศพไปกลายเป็นดินกลายเป็นขี้เถ้าไปเถ้ า, เาไปเผา แล้วอะไรที่จะไปเกิดใหม่อีกเพราะเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบส่วนเดียวของชีวิตเพราะเป็นส่วนประกอบที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าส่วนประกอบของชีวิตนี้นอกจากร่างกายแล้วก็ยังมีใจอีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของร่างกาย การที่จะเห็นใจได้นี้จะต้องเห็นด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาทำจิตใจให้สงบเวลาจิตใจให้สงบแล้วใจก็จะเห็นเห็นใจและเห็นร่างกายว่าเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าไม่มีการภาวนานี้ตาตาของใจจะไม่ได้เปิดขึ้นมาจะมองไม่เห็น จะเห็นใจกนต้องใช้ตาใจเหมือนกับเหมือนกับร่างกายจะเห็นร่างกายก็ต้องใช้ตาของร่างกายถึงจะเห็นร่างกายได้จะเห็นใจก็ต้องใช้ตาของใจแต่ตอนนี้ตาของใจถูกปิดด้วยความด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงโมหะอาวิชาด้วยการไม่ได้ภาวนาเพราะโมแต่ไปดูแต่ตา ตาของร่างกายเลยเห็นส่วนที่ตาของร่างกายเห็นใช้แต่ตาของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ใช้ตาของใจก็เลยมองไม่เห็นสิ่งที่ที่ใจเห็นที่ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้แต่ถ้าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปฝึกสตินั่งสมาธิเวลาทำใจให้สงบได้นี่ ตาในก็จะเปิดขึ้นมาตาใจก็จะเปิดขึ้นมาแล้วใจก็จะเห็นใจแล้วก็เห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันถ้าได้ปฏิบัติสัตตินั่งสมาธิแล้วเราได้ยินได้ฟังเรื่องของกายกับเรื่องของใจว่าเป็นคนละส่วนกันก็จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่ได้ฝึกสมาธิ แล้วก็จะไม่สงสัยว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วไปเกิดใหม่เพราะเห็นแล้วว่าผู้ที่ไปเกิดใหม่นี้คือใครผู้ที่ไปเกิดใหม่นี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจที่จะไปเกิดใหม่เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่ย่อยสลายเหมือนกับร่างกายร่างกายประกอบขึ้นด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟ เมื่อถึงเวลามันจะแยกตัวออกจากกันตัวร่างกายก็จะย่อยสลายหายไปกลายเป็นธาตุสี่ไปธาตุสี่ก็แยกทางกันไปธาตุน้ำก็ไปกลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุดินก็กลับไปสู่ธาตุดินธาตุลมก็กลับไปสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟตัวร่างกายนี้ก็จะหายไป ส่วนตัวท่ารู้คือใจที่มาประกอบกับร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายให้ประกอบแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปและช่วงที่ไปรอรับร่างกายนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะได้รับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเป็นผลบุญใจก็จะมีความสุข จะพบกับสิ่งที่ดีๆสวยๆงามๆเพราะว่าช่วงที่ตายไปนี้ก็เป็นเหมือนช่วงที่นอนหลับนี่ เ, เวลาที่นอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนตายชั่วคราวร่างกายนอนนิ่งเหมือนคนตายไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรในขณะนั้นแหละใจก็จะเป็นผู้ที่จะรับผลบาปผลบุญเวลาเวลาที่เราฝันนี่แหละคือ การปรากฏขึ้นของของผลบุญและผลบาปถ้าเราฝันดีฝันแต่เรื่องที่สร้างความสุขสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับเราอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีของเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราฝันร้ายนี่มันก็เป็นอา น, นิสงส์ของบาปที่เราทําไว้ของการกระทําความชั่วการกระทํา ไม่ดีของเรามันก็จะมาโผล่ขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวเหตุการณ์ที่ทุกข์ทรมานใจที่เราเรียกว่าฝันร้ายกันอันนี้แหละคือสภาพของจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเช่นเวลาที่ร่างกายนอนหลับหรือเวลาที่ร่างกายตายแต่แล้วจิตใจก็อยู่ในจะอยู่ในโลกของความฝันนี่เอง โดยที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังฝันขณะที่เราฝันอยู่นี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงเช่นเมื่อคืนนี้ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันไปนี่ฝันดีหรือฝันร้ายนี่เราจะไม่รู้ในขณะที่เราฝันว่าเรากําลังฝันแต่เราจะมารู้หลังจากตอนที่เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วเท่านั้นว่าอ๋อเมื่อกี้นี้เราฝันดีนะหรือเราฝันร้ายนะเป็นความเป็นแค่ความฝัน แต่แม้จะเป็นแค่ความฝันถ้าเป็นความฝันที่ไม่ดีนี้ก็ยังทำให้หวาดวิตกหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกลัวความทุกข์อยู่และบางทียังไม่กล้าอยากจะไม่กล้าไปหลับนอนใหม่ก็ได้เพราะฝันร้ายบางฝันร้ายนี่มันร้ายจริงๆมันร้ายจนกระทั่งไม่อยากที่จะไปเห็นไปเจอมนันอีกแต่มันเราก็เป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ เพราะเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่ร่างกายตายไปนี้เราไม่มีอำนาจไม่มีสติที่จะมาควบคุมการเคลื่อนไหวการการปุงแต่งของใจได้ใจก็จะถูกกำนาจของบุญและของบาปเป็นผู้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้เราได้เสพให้เราได้สัมผัสซึ่งเราก็จะคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนั่นเลยเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้ ขณะนี้เราก็คิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับความฝันอันหนึ่งเพราะถ้าเวลาผ่านไปพอพรุ่งนี้เราลองกลับมาแล้วก็คิดว่ามันก็เหมือนความฝันนี่ฝันว่าวันนี้ได้มาที่นี่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ไปทํานู่นทําน mm ี hmm. ่เหตุการณ์ต่างๆนี้ที่ปรากฏขึ้นให้ใจรับรู้นี้มันก็เป็นเหมือนความฝันฝันฝันแบบ ฝันแบบตื่นหรือฝันแบบหลับหรือฝันแบบตายเท่านั้นเองทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนความฝันมันไม่เป็นสิ่งที่จีรังถาวรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันขึ้นอยู่กับการกระทาของเราถ้าทำบุญแล้วเราก็จะได้ฝันดี เวลาตายไปก็จะได้ฝันฝันดีเราเรียกว่าเป็นสวรรค์ถ้าเราฝันร้ายเราก็เรียกว่าอบายหรือเรียกว่านรกอันนี้เกิดจากบาปที่เราทำไว้ช่วงเวลาที่ร่างกายตายนี้เป็นช่วงที่บุญกับบาปที่เราได้ทำไวน้นี้จะมาเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายให้ใจนี้ ฝันไปในทิศทางไหนถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปี่บุญก็จะสั่งให้ฝันไปในทางที่ดีทางที่มีแต่ความสุขความเจริญความความโทษเพลินถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเป็นผู้สั่งให้ฝันไปในเรื่องราวที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวเรื่องราวที่ทุกข์ทรมานต่าง บุญกับบาปก็จะเป็นผู้ทาหน้าที่ในช่วงที่ร่างกายนี้ตายไปเนี่ยเราถึงเรียกว่าหลังจากตายไปแล้วดวงวิญ ญ, ญาณของแต่ละท่านก็จะไปสู่ไปรับวิบากของตนไปไปรับวิบากถ้าเป็นผลบุญก็ไปสู่สุขติไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปเพืิดเพลินกับความสุขในระดับต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่า บ, บุญก็จะไป รับผลบาปในอบายก็จะไปรับความทุกข์ความวุ่นวายความกลัวความอะไรต่างๆในระดับต่างๆกันตามกำลังของบุญตามกาลังของบาปที่ได้ทำเอาไว้พอบุญหรือบาปที่ได้ทาเอาไว้ได้ส่งผลหมดกำลังลงแล้วบาปก็ไม่สามารถสร้าง สร้างอบายให้กับใจได้บุญก็ไม่สามารถสร้างสวรรค์ให้กับใจได้เวลานั้นใจก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ อ, มอีกรอบหนึ่งอันนี้ที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดพอตายแล้วก็เป็นดวงวิญญาณพอรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็เหมือนคนที่ตื่นขึ้นมาใหม่ เวลาคลอดออกจากท้องแม่ขึ้นมาก็เหมือนเตื่นจากความฝันเติ่นจากอบายก็ดีหรือตื่นจากสวรรค์ก็ดีพอเด็กทารกออกจากท้องแม่ปักก๊บก็พอลืมตาก็เริ่มร้องไห้เริ่มสัมผัสเริ่มเตื่นขึ้นมาขณะอยู่ในท้องแม่นี้ยังนอนหลับอยู่จิตยังอยู่ในโลกทิพย์อยู่ยังไม่ได้เข้ามาสู่โลกของร่างกาย แต่พอร่างกายคลอดออกจากท้องแม่มาแล้วทีนี้พอมาสัมผัสกับบรรยากาศของโลกนี้ก็ตื่นขึ้นมาเหมือนคนตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็จะทำสิ่งที่เคยอยากจะทำต่อไปอยากจะดูอยากจะฟังอยากอะไรก็จะดิ้นรนหามันเด็กที่คลอดมาอยากจะดูพอไม่เห็นไม่ได้เห็นดูอะไรแปลกๆก็จะร้องไห้ พ่แม่ก็ต้องหาของแปลกๆมาให้ดูหาตุ๊กตาบ้างหาอะไรบ้างมาแขวนไว้ที่ที่บนบนที่นอนจะได้เวลานอนหงายายท้องขึ้นมาหงายหน้าขึ้นมาก็จะได้เห็นสิ่งแปลกๆให้ดูก็จะมีความเพลิดเพลินใจขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของความอยากของใจที่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโพอทภะชนิดต่างๆ มาคอยป้อนให้อยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขเวลาขาดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ์แล้วจะมีความรู้สึกทุกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ<ม>พอพอวขึ้นสามารถที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพได้ด้วยตนเองก็จะไปหาเองตอนเด็กๆก็ต้องอาศัยให้พ่อแม่ช่วยหาให้ เวลาเห็นอะไรชอบก็ร้องขออย่างได้ขึ้นมาแต่พอโตขึ้นพอมีกำลังที่จะสามารถหาอะไรเองได้ก็จะไปหาเองแล้วก็ไปไปไปสุขไปทุกกับสิ่งที่ไปหามาได้เพราะสิ่งที่หามาได้มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนได้มันได้เวลาได้มาใหม่ๆมันก็เป็นของดี ให้ความสุขกับเราแต่พออยู่กับมันไปสักพักมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเก่าลงอาจจะชำรุดทุดโทมไม่สามารถให้ความสุขกับเราเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็ได้หรือถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนชาแต่เราอยู่กับมันบ่อยๆทุกวันเห็นมันบ่อยๆทุกวันเราก็เบื่อได้โดยอาการเบื่อก็อยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะได้ของใหม่เรื่อยๆ ชีวิตของเราก็เลยต้องดิ้นรนอยู่กับการหารูปเสียงจิ่นรสชนิดต่างๆมาให้เราเสกได้สัมผัสไปจนกว่าจะเราจะแก่เจ็บตายไปแล้วเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อเพราะขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ขณะที่เราไปหาอะไรต่างๆมาเพื่อให้มาตอบสนองความอยากของเรา บางทีเราอาจจะไปหามาด้วยการกระทำบาปก็ได้ถ้าเราไม่สามารถหามาด้วยวิธีที่ไม่ได้ทำบาปถ้าเราอยากได้มากๆเราก็อาจจะไปทำบาปเช่นที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคนที่ทำบาปกันนะไปก่อก่อกงเงินของคนอื่นมาเพราะเงินตัวเองไม่มีไม่ไม่สามารถหาด้วยวิธีที่ถูกต้องได้ ก็เลยต้องไปชอบโกงไปรักทรัพย์ของผู้อื่นนะเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์นั้นไปซื้อของที่ตนเองอยากได้มาเสษนั่นเอง mm hmm. อันนี้ก็จะทำให้มีการกระทำบาป mm hmm. เพื่อตอบสนองตันหาความอยากของใจสำหรับคนบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมีโชคสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ง่ายดายและได้มากมายกว่าตนกว่าที่ต้องการจะใช้ ก, ก็อาจจะมีความเมตตากับผู้เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือผูอ้ก็จะมีการทำบุญหรือมีเงินมากก็อาจจะแบ่งให้คนที่รู้จักคนสนิทญาติสนิทมิสหาให้เขามีเงินใช้เหมือนกับเราบ้างเพราะเงินที่เรามีมันมีมากมายเยอะกว่าที่เราจะใช้เองได้หมดก็จะมีโอกาสได้ทำบุญ บุญที่เราทำนี้มันก็จะสะสมเป็นความสุขใจเป็นสวรรค์เวลาที่ตายไปบาป ท, ที่เราทำไว้ก็จะเป็นความทุกข์ใจเป็นอบายเป็นนรกเวลาที่ร่างกายตายไปนี่แหละคือธรรมที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังบ่อยขึ้นทุกครั้งที่มาฟังธรรมก็จะฟังเรื่องราวเหล่านี้ เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะเรื่องตัญหาความอยากเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก mm. เพราะไปอยากในสิ่งที่มันเป็นกองทุกข์นั่นเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็มีการดับไปได้ เวลามันเกิดขึ้นก็ดีใจเวลาได้เงินมาก็ดีใจเวลาเงินหมดก็เสียใจชีวิตก็เลยคุกเข้าไปกับความสุขกับความทุกข์สลับกันไปอย่างนี้แล้วก็สลับกับการทำบุญทำบาปไปถ้าไม่มีใครมาสั่งมาสอนมาพูดมาบอกวิธีมาบอกความจริงเรื่องราวเหล่านี้หรือถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมชีวิตก็จะ ถูกความอํานาจของความอยากนี้ผลักดันให้ไปหาอะไรต่างๆมาเสพมาให้ความสุขด้วยวิธีการต่างๆ ท, าทําบ้าทําบาปบ้างไม่ทําบาปบ้างแล้วถ้ามีอะไรที่มีมากเหลือกินเหลือใช้ก็อาจจะแบ่งไปให้ผู้อื่นก็ได้ทําบุญไปนี่เกิดลักษณะของชีวิตของผู้ที่เกิดมาแล้วยังไม่ได้ศึกษาธรรมะ ก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของของความอยากอันำนาจของความหลงหลากให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ความจริงแล้วมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันที่จะต้องหมดไปได้เวลามันหมดไปก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ แต่ถ้าได้มีโอกาสได้มาเกิดในพบในสมัยที่มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้และได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเกิดในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็จะมีโอกาสได้ไปวัดไปวากันได้ไปทําบุญกันแล้วก็มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ได้ศึกษาได้ปฏิบัติวิธีการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่จะพาให้จิตใจนั้นได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลพัทธพัชชนิดต่างๆแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการกาจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ให้มันหมดสิ้นไปจากใจเพราะความทุกข์ใจนี้เกิดจากกิเลสตัญหาตัวที่พาให้ใจไปหาสิ่งที่เป็นความทุกข์กันไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพะที่เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่อาจจะพลิกกลายเป็นความทุกข์ได้ทุกเวลานาทีพอมีคําสอนของพรพุทธเจ้าพพุทธเจ้าก็จะสอนวิธี ดำเนินชีวิตที่จะพาให้ใจได้ไปพบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ก็คือไปหาความสุขจากการการกระทำความดีต่างๆที่เรียกว่าเป็นการทำบุญเช่นการทำทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมการอุทิศบุญให้กับผู้ที่โล่งรับไปแล้ว กานันโมธนาบุญร่วมร่วมแสดงความยินดีสนับสนุนการทําบุญของผู้อื่นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สงเคราะห์ผู้อื่นวิธีการเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะสร้างความสุขใจที่ไม่มีความทุกข์ตามมามเพราะเป็นการกระทําที่คอยกําจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจ ให้เบาบางลงไปนั่นเองใจนี้ทุกพ่อความโลภความโกรธความหลงถ้าสามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลําดับความทุกข์ใจกับความสุขใจนี้มันเหมือนอยู่กันคนละมุมถ้ามีความทุกใจความสุขใจก็จะไม่เกิด ถ้าลดความทุกข์ใจลงความสุขใจก็จะมีเพิ่มขึ้นถ้ากําจัดความทุกข์ใจให้หมดไปได้ด้วยการกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงขอความทุกข์ใจหมดไปใจก็จะมีความสุขเต็มที่มีความสุขตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงตัดสู้ทรงค้นพบวิธีการที่จะพาให้ใจนี้ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาหาความสุขจากร่างกายจากการมีร่างกายจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามีร่างกายแล้วมันก็เป็นของชั่วคราวเวลามันแข็งแรงมันก็ดีเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะทุกข์ทรมานใจฉะนั้นพรองค์หนึ่งสอนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย คือความสุขที่เกิดจากการทำด้วยใจถึงแม้จะทำผ่านร่างกายก็ทำช่วงที่มีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็สามารถทำความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายได้ก็คือการภาวนาการํำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการหยุดหยุดความคิดของใจเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี้อาศัยความคิดเป็นเครื่องมือ ก่อนที่จะโลภได้ต้องคิดก่อนคิดถึงสิ่งที่อยากได้พอให้พอคิดถึงสิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความโลภขึ้นมาพอเกิดความโลภก็ต <sk ills> ้องไปวิ่งไปหาสิ่งไปเอาสิ่งที่อยากได้มาแต่สิ่งที่อยากได้มามันก็เป็นความสุขกตอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ภายในพอได้มันมาปั๊บไม่นานความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งไป นี่คือการที่เรามีโอกาสมาได้ยินได้ฟังทมเราก็จะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงนรกสวรรค์เรือายนี้มีจริงผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วผู้ที่จะกลับมาเกิดใหม่ก็คือใจ ผู้ที่จะมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจและการที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะต้องมาเจอกับคนฉลาดอย่างพระพุท ธ, ทธเจ้าก็ดีหรืออย่างพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีที่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจนี้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อย ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี่แล้วก็รู้วิธีที่จะกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาด้วยการกระทำความดีทำบุญต่างๆทำบุญทำทาน uh huh. ก่อนอื่นก็ให้ศึกษาให้ฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะถ้าเราไม่ศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้วิธีที่เราจะกำจัดความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจได้ เราต้องอาศัยคนที่รู้คนที่ได้ทํามาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกท่านเป็นผู้ที่ได้กําจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปแล้วท่านรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วท่านก็นำไปสอนผูน้ผู้ที่สนใจเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติตามก็สามารถกําจัดความทุกข์ใจได้ กายเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไปช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ความรู้อันนี้ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกนี้คนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ เกิดมาก็ต้อมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่มแล้วก็ตายใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เร<ม>ียนวหว้าตายเกิดช่วงที่ตายก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอจนกว่าจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ถึงจะสามารถที่จะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่า วิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขที่แท้จริงต้องทำแบบไหนวิธีที่ทำให้ใจทุกเป็นอย่างไรก็ให้ละเสียไม่ให้ไปหาวิธีที่จะทำให้ใจทุกก็คือการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแต่มันมีความสุขหุ่มหออยู่นิดบางๆเหมือนยาขม เคลือบน้ําตาลดีๆนี่เวลาที่อมเข้าไปใหม่ๆก็คิดว่าเป็นของหวานแต่พอน้ําตาลที่เคลือบมันละลายไปรสของยาขมมันก็จะให้สัมผัสทันทีความสุขในโลกนี้ก็เป็นความสุขผิวบางๆที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์แม้ว่าเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะดีใจมีความสุขใจแต่หลังจากนั้นไม่นาน เราก็จะต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความหวงเวลามีก็อยากจะให้ให้ให้ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปเพราะเวลามันเป็นอะไรไปมันก็จะไม่สามารถทาให้ใจเรามีความสุขได้<ม>เราก็เลยทุกข์กังวลแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดี ห้ามันการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาของมันจากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปของเก่าก็กลายเป็นของเสียไปพอกลายเป็นของเสียมันก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้นี่นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก่อนในเบื้องต้นเบื้องต้นต้องมาเกิดในในภพชาติที่มี คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วต้องมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสรับรู้สำหรับคนบางคนถึงแม้จะมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสรับรู้เลยก็ได้เพราะอาจจะไปนับถือศาสนาอื่นขึ้นมาถ้านับถือศาสนาอื่นก็มักจะต้องไปไป ไปนับถือไปศึกษาไปปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาของตนยากต่อการที่จะได้มาสัมผัสยกเว้นสำหรับคนบางคนที่มีความขวนขวายความที่อยากจะรู้อะไรต่างๆคนบางคนเกิดมาในศาสนาอื่นแต่ศาสนาอื่นที่เขาศาสนาที่เขามาเกิดนี้ไม่สามารถตอบสนองความ สงสัยของเขาได้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาทุกข์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเขาหาเงินถ้าเป็นท่าตายล่ำรวยแล้วเขาก็ยังทุกข์อยู่ทำไมความล่ำรวยถึงไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้อันนี้ก็อาจจะทำให้เขาเริ่มสนใจที่อยากจะเรียนรู้ความรู้จากศาสนาอื่นขึ้นมาก็ได้เช่นชาวต่างชาติบางคนนี่เขาเกิดมานับถือศาสนาของเขา แต่ศาสนาของเขานีไม่สามารถตอบโจทย์ตอบคำถามที่เขาอยา ก, ยากจะรู้ได้เขาก็เลยไปค้นคว้าเข้าห้องสมุดบ้างสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าห้องสมุดกันเพราะจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอื่นให้ได้เปรียบเทียบให้ได้ศึกษาได้อ่านกันเขาก็อาจจะโชคดีได้ไปเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาคำสอนของพระริยสงสามลขึ้นมา ที่จะสอนวิธีดับความทุกข์ใจให้กับเขาพอเขาได้ศึกษาได้อ่านแล้วเขาก็ลองเอาไปปฏิบัติดูทำตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าเหตุของความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากต่างๆของใจนี้เองและสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นของที่เป็นทุกข์ด้วยทุกทั้งทุกทั้งความอยากทุกทั้งสิ่งที่อยากได้มาให้ความสุขของใจว่าเป็นก็เป็นความทุกข์เหมือนกัน ความอยากมีความสุขนี้ของใจนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าต้องไปหาต้องไปหาหาความสุขที่เป็นความสุขจริงๆไม่ใช่เป็นความสุขปลอมถ้าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ถือว่าไปหาความสุขปลอมถือว่าไปหาความทุกข์กันเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราว เวลาได้มันก็ทำให้เรามีความสุขแต่เวลาสูญเสียไปก็จะทำให้เรามีความทุกข์แังะระหว่างที่เรายังไม่สูญเสียมันมันก็ทำให้เรากังวลได้เพราะเราก็เห็นว่าบางทีสิ่งที่ให้ความสุขกับลนี้วันดีคืนดีมันก็อาจจะจากเราไปได้ทันทีโดยที่เราไม่ได้คาดคาดหมายเลยก็ได้ ม, มันก็เลยทำให้เรามีความวิตกกังวลลึกๆอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความทุกข์สร้างความสร้างความกังวลใจเพราะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนอันนี้ก็เป็นการไปหาความสุขที่ไม่ถูกต้องเป็นความสุขตอนไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้สร้างความทุกข์สร้างความความกังวลใจให้กับใจนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร พอได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะได้ยินได้ฟังวิธีของการหาความสุขที่แท้จริง<อ>เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่จะลดความทุกข์ให้น้อยลงไปจน ก, กระทั่งความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจนี้หมดไปทำให้ใจนี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาก็<อ><อ>เขาพอเขาได้ยินได้ฟังเขาก็นำอาไปปฏิบัติ สิ่งนี้พระเจ้าสอนให้ทําก็คือทําทานรักษาศีลให้ภาวนานี่ยเองเราเขาไปลองศึกษาดูลองไปทําบุญทาทานรักษาศีลภาวานานดูเขาก็ได้เริ่มสัมผัสเห็นความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาในใจเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี่ลดน้อยถอยลงไปตามลําดับจึงทําให้เขาอยากที่จะศึกษาให้ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้อยากปฏิบัติให้มากไปกว่านี้ เขาก็บางทีก็บินข้ามข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาศึกษาอยู่ตามวัดต่างๆแล้วไม่นานเขาก็ขอบวชเป็นพระขึ้นมาเรามีชาวต่างชาติที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบวชเป็นพระกันอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าประเทศเขานี้ไม่มีสถาบันของพระพุทธศาสนาเหมือนที่เรามีอยู่ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีการนำศาสนาไปเผยแพร่ตามต่างประเทศก็ตามแต่มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ครบบริบูรณ์เพราะส่วนใหญ่วัด ท, ที่ไปก็จะเป็นเพียงวัดให้ไปทำบุญทำทานรักษาศีลยังไม่มีวัดที่จะให้ไปภาวนาให้ไปปฏิบัติเพื่อลดละความอยากสร้างความสุขให้กับใจอย่างเต็มร้อยโรกนี้เขาเลยที่อยากจะบวชอยากจะศึกษาอยากภาวนา ก็เลยต้องบินมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปแสวงหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่เน้นการการปฏิบัติจิตตภาวนาในการเจรินสติการนั่งสมาธิการพิจารณาทางปัญญาเขาก็จะได้มาบวชกันอันนี้เป็นกรณีของคนที่มีความขวนขวายอยากจะรู้อยากจะพ้นทุกข์ ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่เขาได้สะสมมาก็ได้เาถึงแม้ว่าจะได้มาไปเกิดอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไปเกิดอยู่ในประเทศที่อยู่ในครอบครัวที่นับถือศาสนาอื่นแต่เมื่อศาสนาของเขาไม่สามารถตอบโจทย์ที่เขาได้ที่เขามีอยู่ได้เขาก็เลยต้องไปขวนไายศึกษาความรู้จากศาสนาอื่น พาเขาได้มาศึกษ า, าศาสนาพุทธเขา้าเขาก็เลยเห็นว่านี่น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องเขาก็ลองนอนเมาไปปฏิบัติดูพอปฏิบัติแล้วเขาก็จะได้เริ่มเห็นผลขึ้นมาเขาก็อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ที่ประเทศเขาไม่มีวัดวารามวัดปฏิบัติเหมือนที่ประเทศไทยเขาก็เลยต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อมามาบวชมาอยู่ที่ประเทศไทยบางรูปเนี่ยอยู่ มาบวชมีอยู่เมืองไทยเป็นสิบสิ บ, สบปีเลยกลายเป็นคนไทยไปกลายเป็นคนพุทธไปเพราะอํำนาจของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสรดนี้เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะลสทัง้งปวงผู้ใดก็ตามถ้าลองได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้จะต้องพบกับความรู้สึกที่ดีคือรถแห่งธรรมคือความสงบความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากการระงับดับความอยากต่างๆพอความความความอยากต่างๆถูกระงับลงไปใจก็จะนิ่งสงบใจที่นิ่งสงบนี้เป็นใจที่มีความสุขยิ่งกว่าใจที่ได้ไปได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพาให้ได้เงินมากองเป็นกองเท่าภูเขา ให้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตให้เป็นนายกเป็นอะไรก็ตามให้ไปกินไปดื่มอาหารไปดูอะไรต่างๆระดับห้าดาวก็ตามตาได้เสรได้สัมผัสรถเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบ ก, กับรถของความสงบนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพระชาทรงตรัสว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขัง ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีความสุขความสุขที่ได้จากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่ที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็จะเป็นความสุขที่ถาวรที่จะไม่มีวันสิ้นสุดหรอกไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขทางราบยศสารเสริทางรูปเสียงเกิดที่เป็นความสุขที่ชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป พอหมดไปก็ต้องไปหาใหม่ถ้าไมหา่หาไม่ได้ก็ทุกข์หรือว่าถ้ามีแล้วหมดไปก็ทุกข์มันไม่มีความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์รออยู่เสมอแต่ความสุขที่เกิดจากระงับความอยากต่างๆด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานั่งสมาธิหยุดความคิดหยุดความอยากชั่วคราวหรือด้วยการใช้ปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข<ม>ก็จะทำให้หยุดความอยากได้อย่างขาวง<ม>องพอความอยากได้ถูกกาจัดด้วยอำนาจของปัญญาแล้ว<ม><ม>ความอยากก็จะไม่มีโผล่กลับขึ้นมาอีกต่อไปใจ<ม>เมื่อไม่มีความอยากใจก็จะเป็นใจที่สงบนิ่งเยน็นสบายอิ่มด้วยความสงบอิ่มไปด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบ แล้วก็จะเป็นใจที่ไม่มีวันที่จะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจไปเกิดก็คือความอยากต่างๆนี้ได้ถูกกาจัดหมดสิ้นไปด้วยอำนาจของปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้อำนาจของปัญญามาดับความอยากให้หมดไปอย่างถาวรได้ต้องอาศัยการอำนาจของสติของสมาธิมาหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อน แล้วหลังจากนั้นถึงจะสามารถใช้ปัญญามาดับความอยากได้อย่างถาวรการที่จะสามารถที่จะดับความอยากด้วยสมาธิได้ก็ต้องดับความอยากด้วยการทําบุญทําทานก่อนเอาเงินที่จะไปทําตามความอยากต่างๆนี้เอาไปบริจากเอาไปให้คนอื่นอย่าใช้เงินทำตามความอยากเป็นการสกัดความอยากในขั้นขั้นขั้นพื้นฐานก่อน ท่านการใช้เงินใช้ทองเวลาเราใช้เงินใช้ทองเพราะเราอยากเรามีความอยากอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มเราก็ต้องใช้เงินใช้ทองพอใช้แล้วมันก็จะติดมันก็จะทำให้เราอยากอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากด้วยกำลังของสมาธิได้ในเบื้องต้นต้องหยุดความอยากด้วยการทามุญทาทาน ฝึกความอยากด้วยการรักษาศีลศีลห้าแล้วก็ศีลนแปดขึ้นไปตามลาดับพอเราสามารถรักษาศีล5ห้าสิแปดได้เราก็จะไปภาวนาได้ไปฝึกสมาธิไปปีกิเวกไปอยู่คนเดียวไปทำจิตใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นได้แล้วพอจิตสงบนิ่งเย็นด้วยสติแล้ ว, ลวเราก็เอาปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าความอยากสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่เราควบคุมไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราทุกครั้งไป mm hmm. พอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปพอไม่มีความอยากแล้ว mm hmm. ใจก็จะมีแต่ความสงบความนิ่งไปตลอดตลอด24ชั่วโมงตลอดอั น, อนตรการ mm hmm. เวลาไม่มีร่างกายนี้ใจก็ยังเป็นใจที่สงบใจที่เย็น ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกเป็นอย่างนี้ใจของท่านก็ไม่ได้สูญสลายเหมือนใจของพวกเราต่างตรงที่ว่าใจของท่านเย็นใจของท่านสงบใจของท่านอีกแต่ใจของพวกเรามันร้อนใจของพวกเรามันหิวพอร่างกายนี้ตายไปความร้อนความหิวมันก็จะผลักดันให้เราไปมีร่างกายอใหม่ต่อไปเท่านั้นเองใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้าของพระสาวกต่างกันตรงที่ ร้อนหรือเย็นอิ่มหรือหิวใจของพวกเรายังร้อนอยู่ยังหิวอยู่มันถึงพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าได้ทําทานรักษาศีลภาวนาได้เราก็จะปรับใจของเราให้กลายเป็นใจที่ใจที่เย็นใจที่อิ่มจากใจที่หิวจากใจที่ร้อนก็จะกลายเป็นใจที่เย็นใจที่อิ่มใจที่ไม่ต้องไปขวนขวายไปหาอะไรมาให้ ความสุขกับตัวเด็กต่อไปใจก็จะไม่ต้องไปจกิแ จ, ใจ่เจ็บตายต่อไปอ น, นี่คืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้วิธีการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่หยุดการไปรับผลบุผลบาปต่างๆด้วยการไม่ทําบาปทาแต่บุญรักษาศีลภาวนาหาความสุขที่แท้จริงเพื่อที่ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิด นี่คืออา น, นิสงส์ที่ท่านทั้งหลายจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอ่อนยะทาวาเลวาหาตุราปาริโกเลติสาขลังเอวเมวะอิตทจินางเปตานาังอุ ป, ปกาปะติอิชิตังปะิตังตุมหังทิปเมวะสมิชตุ สัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะวัสสุยะธาณิโชติอาราสยะธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโขวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีพายุโกภวา อาพิวาทนัสีลิสะนิจจวุธาปจายโนจตารโหธรมมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลั